จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7เมษายนพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาไวเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระบรมศ า, าสดา พระอาหันตสสามมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุรธอันประเสริฐเป็นผู้ตัดสโลชอบรู้ในสิ่งที่สัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้กันความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสโลเป็นความรู้ที่ทำให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลังจากที่ทรงรู้แล้ว ก็นามาม า, มาเผยแป่สักสอนให้แก่สรรโลกทั้งหลายจึงได้รับเป็นสัทถาเทวมนุษย์านำเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นาศาสดาเอกของโลกเพราะเป็นผู้เดียวที่มีความรู้ที่จะสอนให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากการ เวียนไวาตายเกิดให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ผู้ใดถ้าได้รับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธาที่จะน้อมนำมาไปปฏิบัติผู้นั้นก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้สามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่จเจริญก็ดีหรือเหตุการณ์ที่เสื่อมก็ดีเพราะมีความรู้ที่จะปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องนั่นเองความรู้ที่พูะเจ้าทรงสอนให้สรรโลกรู้นี้ก็คือให้รู้โลก โลกก็คือโลกธระทำแปประการด้วยกันถ้ารู้ความจริงของโลกธรรมทั้งแปประการนี้แล้วจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขถ้าเราศึกษาโลกธระททั้งแปแล้วเราปฏิบัติตามได้เราจะไม่เดือดร้อนกับการเจริญแก่การเสื่อม โลกธรรม ท, ทั้ง8โลกธรรม ท, ทั้ง8นี้มีอะไรบ้างก็มี4คู่ด้วยกันคือคู่ที่1ก็คือการเจริญรากและการเสรื่อมรากคู่ที่สองก็คือการเจริญยศและการเสรื่อมยศคู่ที่สก็คือสรรเสริญคู่กับนินทาส สุขคู่กับทุกข์นี่คือโลกธรรมแปดที่ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องสัมผัสกันถ้ามีความรู้มีสัมมาทิฏฐิมีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องก็จะสามารถปฏิบัติกับโลกธรรมทั้งแนี้ได้อย่างสุขอย่างสบาย ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนถ้าไม่รู้จักวิธีปฏิบัติสาโลกกระทาทั้งแปดนี้ก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจความวิตกความกังวลหวาดกลัวไปต่างๆนานาดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะศึกษาให้มีอยู่ในใจเราอยู่เรื่อยๆก็คือเราต้อง ยอมรับเรื้อเราต้องรู้ว่าของทุกอย่างในโลกนี้เช่นลาบยศสรเสริญสุขมีทั้งส่วนที่เจริญและมีส่วนที่เสื่อมเรื่องของการเจริญและเสื่อมของลาบยศ ส, สรรเสิญสุขนี้เป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> ถ้าเราไม่คอยสอนใจอยู่เรื่อย ใจเราจะยึดติดอยู่กับความเจริญของลาบยศสารเสริญสุขเพียงอย่างเดียว <Okay. c oughs> จะไม่ยอมรับความจริงอีกส่วนหนึ่งของลาบยศสารเสริญสุขก็คือมีความเสื่อมมีความเสื่อมลาบมีความเสื่อมยศมีนินทามีทุก์เป็นสิ่งที่ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ จะต้องพบกันจะต้องสัมผัสกันถ้าสัมผัส ด, ด้วยการรู้ทันปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่อยากให้ไม่เสือ่อมไม่ให้อยากไม่ให้ทุกข์ไม่อยากรับการนินทาใจก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าอยู่อย่างยึดติดอยู่อย่างไม่รู้ความจริง อยู่อย่างหลงก็คืออยากให้เจริญอย่างเดียวให้เจริญในลาบอยากให้ร่ำรวยอยู่อย่างเดียวให้เจริญในยศอยากให้มีตำแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆอยากให้มีแต่สรรเสริญอยากให้มีแต่ความสุขถ้าเรามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจแสดงว่าเรากำลัง เห็นผิดเพรนชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวมองไม่เห็นความจริงของสัจธรรมของโลกกะระมทั้ง8ปว่ามีเจริญย่อมมีเสื่อมเป็นไปธรรมดาเวลาเรามาเกิดในโลกนี้เราก็ไม่ได้เอาลาบยศสรรเส ร, ริญสุขติดตัวมากับเราเวลาเรา ไปจากโลกนี้เราก็ไม่ได้เอาลาบยศสารเสริญสุขติดตัวไปกับเราด้วยแล้วเราทําไมจึงไปยึดไปติดไปอยากให้ลาบยศสารเสริญสุขอยู่กับเราไปตลอดอยากให้เจริญเพียงอย่างเดียวความอยากอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดจะรู้ว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ ของความไม่สบายใจของความวิตกกังวลของความหวาดกลัวของความว้าวุ่นขุ่นมัวต่างๆของใจถ้าไม่ต้องการที่จะมีความทุกข์ใจไม่สบายใจก็จะต้องหยุดความอยากในความเจริญของลาบยศสารเสริญสุขให้ได้เพราะว่าความอยากนี้ ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความจริงของลาบยศสารเสิญสุขได้ก็คือไม่สามารถไปห้ามไม่ให้เสื่อมได้นั่นเองไม่สามารถห้ามไม่ให้ลาบเสื่อมไม่สามารถห้ามไม่ให้ยศเสื่อมไม่สามารถห้ามไม่ให้มีนินทาไม่สามารถห้ามให้มีความทุกข์ได้ เพราะนี่คือความจริงของโลกเหมือนกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นี่เองไม่มีใครห้ามไม่ให้พาทิตตกได้ไม่มีใครห้ามไม่ให้พาทิตมมทขึ้นได้คนที่ไม่ห้ามไม่อยากให้พาทิตขึ้นหรือตกจะไม่ทุกข์กับการขึ้นหรือตกของดวงอาทิตย์ฉันใดถ้าเราไม่ไปห้ามไปอยากไม่ให้ลาบยศสารเสริญสุกนั้นเสื่อมไป เราก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนเราไม่เดือดร้อนกับการตกของดวงอาทิตย์ชันใดเราก็ต้องไม่เดือดร้อนกับความเสื่อมของลาบของยศของสรรเสริญนะของความสุขทางโลกคือความสุขทางตาหูจมูกวิ้นไก่การที่เราจะไม่ยึดติดกับลาบยศสรรเสริมสุขได้ เราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องคือมีปัญญารู้ว่าลาภยศสละเสริญสุขทางตาหูจมูกรินกายนี้ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขปลอมที่พุ่มหอความทุกข์ไว้อยู่เหมือนกับน้ำตาลที่เคลือบยาขม เราต้องรู้ว่าภายใต้น้ําตาล น, นั้นมียาขม อ, อยู่เราต้องรู้ว่าความเจริญของลาบยศสารเสริญสุขดีมีความเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขอยู่เวลาเสื่อมเราจะทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่งเช่นเวลาเราหมดเนื้อหมดตัวสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมด เราจะมีความทุกข์ทรมานใจมากถึงจะไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปมีบางคนเวลาสูญเสียสมบัติเท่าของเงินทองไปหมดนี้ถึงกับต้องฆ่าตัวตายเลยนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากความหลงที่ไม่คอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่ามีได้ก็ต้องมีหมดได้และไม่ใช้ก็แล้วสักวันหนึ่ง ก็ต้องหมดกันทุกคนเพราะเมื่อเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วไม่มีใครเอาทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองไปได้เลยแม้แต่บาทเดียวเงินที่เขาใส่ไว้ในปากสับเหล่อก็จะเอาไปซื้อสุราดื่ม mm. ดังนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆให้พร้อมที่จะรับกับความเสือ่อม ของลาบของยศของสรรเสริญและของความสุดทางตาหูจมูกม้นกายถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับการเจริญและการเสรื่อมของลาบยศสรรเสริญสุดวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์นั้นเราต้องทำใจของเราให้เป็นกลางทำใจของเรา ไม่ให้ยินดียินร้ายกับการเจริญของราบยศสรรเสริญสุดแล้กับการเสื่อมของราบยศสรรเสริญสุดวิธีที่จะทำใจของเราให้เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายก็คือการทำใจให้สงบนี่เราต้องฝึกทำใจให้สงบเราต้องหัดนั่งทมสมาธิให้ได้ พราะถ้าเราทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิได้แนละ้วใจของเราจะเป็นกลางจะไม่ยินดียินล่กับการเจริญและการเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขเพราะใจมีความอิ่มมีความพอไม่มีความหิวไม่มีความอยากได้ลาบยศสารเสรืิอสุขนั่นเองนี่คือวิธีที่จะทำ ให้เราอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสุขอย่างสบายไม่วุ่นวายไม่วิตกไม่เดือดร้อนกับการเสื่อมของลาภยศสะลรเสริอมสุขดังนั้นเราควรที่จะหาโอกาสหาเวลาบำเพ็ญทำใจให้สงบอยู่บ่อยๆทำได้มากเท่าไหร่ทำได้นานเท่าไหร่ ใจก็จะเป็นกลางมากขึ้นไปเท่านั้นใจก็จะไม่ยินดียินไายมากขึ้นไปเท่านั้นวิธีที่จะทำใจให้สงบนี้เราต้องมีอุบายมีเครื่องมือเพราะโดยปกติเราไปสั่งใจให้สงบไม่ได้เราไปสั่งให้ใจนิ่งเฉยๆอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะใจของเราตอนนี้เป็นเหมือนลิงนั่นเอง ลิงนี้เราไปบอกให้มันนั่งเฉยๆไม่ได้วิธีที่เราจะให้ลิงอยู่เฉยๆเราต้องจับลิงเข้าไปขังไว้ในกรงถ้าจับลิงขังเข้าไปในกรงแล้วมันก็จะไม่สามารถไปเพ่นผ่านไปทำอะไรได้และการที่จะจับลิงเข้ากรงได้เราก็ต้องมีเชือกคล้องคองผูกคอมันไว้แล้วก็ลากมันเข้าไปในกรง ถ้าไม่มีเชือกเราไปวิ่งตามจับลิงนี้วิ่งตามจับไปจนวันตายก็จะวิ่งตามไม่ทันเพราะวิลิงนี้มันวิ่งเร็วกับาเรามากแต่ถ้าเรามีเชือกคล้องคอแล้วมันจะไม่สามารถวิ่งหนีจากเราไปได้เราสามารถลากคอมันเข้ามาในกรงได้ฉัน้นใดใจของเราก็เป็นเหมือนลิงการทำใจให้สงบนี้ก็เป็นเหมือนกับทา จับใจขังเข้าไปในตรงนั่นเองคบขังเข้าไปในสมาธิวิธีที่จะดึงใจให้เข้าสมาธิเราต้องมีเชื่อเชื่อตัวนี้เรียกว่าสติสติก็คือการควบคุมใจให้คิดอยู่เรื่องเดียวเช่นให้คิดอยู่แต่คำว่าพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราสามารถให้คิดอยู่แต่พุโทโธได้อย่างเดียวไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้คิดอยู่แต่คำพุโทโธได้อย่างเดียวเช่นคิดได้สองสามวินาทีแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะไม่มีวางที่จะสงบได้ ถ้าเราอยากจะให้ใจสงบเราต้องสร้างพุโทโธให้มีอยู่ในใจของเราให้มีกำลังมากกว่าความคิดต่างๆถ้าเรามีกาลังถ้าพุทโธมีกำลังมากกว่าความคิดต่างๆพุทโธก็จะสามารถหยุดความคิดต่างๆได้การที่จะทำให้พุทโธมีกำลังมากกว่าความคิดต่างๆเราก็ต้องคิดพุทโธอยู่เรื่อยๆ คิดไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นมาจนหลับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ขอให้เราคิดอยู่แต่คำว่าพุโทโธพุทโธไปยกเว้นเวลาที่เราต้องคิดเกี่ยวกับงานที่เรากำลังทำอยู่เวลานั้นเราก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราวคิดไปกับเรื่องงานเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดพอคิดเสร็จแล้วเราก็กลับมาคิดพุดโทโธต่อ เราจะหยุดคิดพุโทโธก็ต่อเมื่อเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจเราเฉยเฉยรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นเราไม่ต้องใช้พุโทโธก็ไดาษตอนนั้นใจว่างใจเย็นใจสบายแนละ้วแต่ถ้าอยากจะให้ใจสงบเต็มที่เราต้องนั่งหลับตาแล้วก็ท่องพุโทโธไปจนกว่าใจจะตกบลงไปในหลุม หลุมลมนี้ก็คือหลุมของสมาธิเรียกว่าตกพวังเวลาตกพวังนี้เหมือนจิตรวมเหมือนจิตเหมือนกับตกหลุมตกบอก่อมันจะวุ่ลงไปแล้วก็จะนิ่งจะเย็นจะสบายตอนนั้นไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้องพุดโทรแล้วตอนนั้นใจไม่ไม่คิดอะไรแล้วไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่ยินดียร้ายกับเรื่องราวต่าง บางครั้งก็ไม่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่รู้ไม่รับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเลยอยู่แต่ตะอยู่ตามลำพังอยู่กับความรู้อยู่กับตัวรู้เพียงตัวเดียวอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับความเป็นกลางไม่เยินดีนยินร้ายนี่คือสมาธิถ้าเราได้สมาธิอย่างนี้แล้ว เวลาเราออกจากสมาธิมาเราจะสามารถสอนใจให้เฉยๆได้ให้เป็นกลางได้ให้รักษาความเป็นกลางได้สอนใจไม่ให้ไปยินดีกับลาบยศสารเสริญสุขเพราะว่าลาบยศสารเสริญสุขนี้ไม่เที่ยมนั่นเองมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีจะดีกว่า ผู้ที่มีความสงบมีใจเป็นกลางแล้วไม่ต้องมีราบยศสรเสริญไม่ต้องมีความสุขทางตาหูจมูกมืนกายก็ได้เพราะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ดีกว่าอยู่ภายในใจก็คือความสุขที่เกิดจากสมาธินี้เองความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ พอมีสมาธิแล้วมีความสุขแล้วก็จะปล่อยวางลาบยศ ส, สรรเสิญสุขได้ผู้ที่ได้สมาธิแล้วมักจะออกบวชกันเพราะจะเบื่อกับการอยู่กับลาบยศ ส, สรรเสิญสุขเพราะเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยและมีความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ตามมาเวลาที่ลาบยศ ส, สรรเสริญเสื่อมนิ่งหมดไป ผู้ทีนสามารถปฏิบัติจนทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้แล้วจะอยากไปหาที่สงบอยู่ตามนำพางอยากปีกวิเวกอยากอยู่คนเดียวไม่อยากลักรูกับเรื่องราวาต่างๆไม่อยากจะไปวุ่นวายกับเรื่องราวาต่างๆอยู่คนเดียวอยู่กับความสงบสุดนี้เป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดแต่ก็ไม่ปฏิเสธ เวลาที่จะต้องมีภารกิจมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่กับผู้อื่นต้องร่วมทากิจกรรมกับผู้อื่นก็จะไม่ลังเกียดจะทำตามหน้าที่ของตนเช่นอยู่กับสังคมสังคมมีหน้าที่ทำอะไรที่จะต้องช่วยเหลือกันก็ทำกันไปเช่นเป็นพระเวลาบินฑบาตก็บินฑบากร่วมกัน เวลาฉันก็ฉันร่วมกันเวลาทำกิจวัตรเช่นปัดกวาดถูสาราทำอะไรต่างๆที่เป็นส่วนเป็นประโยชน์ของส่วนรวมก็ทำไม่ลงเอียงไม่ได้ไปมีความอยากที่จะหลบหนีจากสิ่งเหล่านี้ไปถ้ามีความยิน ด, ดีกับการทำกิจที่ตนเองได้ประโยชน์ เช่นยินดีกับการบินทบายยินดีกับการขบฉันแต่ไม่ยินดีกับการช่วยกวาดถูเสลาอย่างนี้เรียกว่ายังมีความยินดียินร้ายอยู่ยังไม่เป็นกลางอย่างแท้จริงถ้าเป็นกลางอย่างแท้จริงแล้วจะไม่มีความยินดียินร้ายทำตามหน้าที่หน้าที่ต้องบินทบาวก็บินทบาว หน้าที่ต้องมานั่งรวมฉันกันที่ศาลานี้ก็นั่งฉันกันหน้าที่ต้องนั่งฟังเทศฟังธรรมพร้อมกันก็นั่งฟังไปหน้าที่ต้องฉันพร้อมกันก็ฉันปันไปเมื่อเสร็จแล้วต้องมาปัดกวาดเก็บกวาดถูศาลาก็พร้อมกันทำอย่างนี้ถึงเรียกว่าใจเป็นกลางจริงเพราะเราเป็นมนุษย์ที่อยู่คนเดียวไม่ได้ เราต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะว่าเราต้องพึ่งพาอาศัยกันในเรื่องของปัจจัยสีนั่นเองเป็นพระก็ยังต้องอยู่ในวัดร่วมกันนอกจากเวลาที่ต้องไปปีพิเวกในขณะที่ต้องการเจริญสมาธิเท่านั้นแต่หลังจากที่ได้สมาธิแล้วก็จะกลับมาอยู่ร่วมกันเพื่อจะได้มาทำประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป ก็คือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ได้มีโอกาสได้รับรู้นี่คือวิถีชีวิตของผู้ที่มีความสงบมีใจที่เป็นกลางจริงๆมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาจะไม่มีความยินดียินร้ายในลาบยศสารเสิญ ในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละคือวิธีที่จะทําให้การอยู่ของเราในเรื่องนี้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันอย่างไม่เดือดร้อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็รู้ไว้ล่วงหน้าแล้วและเราทําใจให้เป็นการได้แล้วอะไรจะเจริญเราก็รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดา อะไรจะเสื่อมเราก็รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับเราปฏิบัติกับ ก, บการเจริญกับการเสื่อมของดวงอาทิตนี้เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเราก็รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเวลาพระอาทิตย์ตกเราก็รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ได้ไปยินดียินร้ายกับการขึ้นหรือกับการตกของดวงอาทิตฉันใดเราก็ควรที่จะ ไม่ยินดียินไล่กับการเจริญกับของกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เราต้องปล่อยวางรู้ทันถ้าเราไม่รู้ทันเราจะยึดติดก็เราจะยึดติ ด, เ ร, ด, ตดเราก็จะอยากให้สิ่งที่เราชอบอยู่กับเราไปนา น, านๆเราจะแล้วสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็อยากจะให้หายไปเร็วๆ แต่เราไม่สามารถไปสั่งสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เวลาเราอยากแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือความทุกข์ใจความไม่สบายใจเช่นเราไม่ชอบความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายถ้าเราไปอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้เจ็บอยากไม่ให้ตายเราก็จะทุกข์ทรมานใจ วความอยากนี้เป็นเหมือนมีดที่จะมาทิ่มแทงใจเรานั่นเองมีใครอยากจะเอามีดมาทิ่มแทงร่างกายของเราบ้างไม่มีใครทำกันเพราะรู้ว่ามันเจ็บฉันใดความอยากนี้ก็เป็นเหมือนมีดที่จะมาทิ่มแทงใจของเราทุกครั้งที่เราไม่สบายใจทุกครั้งที่เรามีความทุกข์ใจนี้ขอให้เราถามตัวเราเองเถิดว่าตอนนี้เรากำลังเอามีด ของความอยากชนิดไหนมาทิ้มแทงใจเรามันต้องมีความอยากชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะว่ า, า, วาถ้าไม่มีความอยากแล้วใจจะไม่มีความทุกข์อย่างแน่นอนถ้ามีความทุกข์มีความไม่สบายใจแสดงว่าใจของเรานี้กำลังอยากแล้วเช่นอยากให้รวยไปตลอดไม่อยากจนอย่างนี้พอ เวลาที่จะจบนี้ก็จะไม่สบายใจขึ้นมา ท, าทันทีอยากจะมีตำแหน่งสูงๆไปไม่อยากจะสูญเสียตำแหน่งไปพอถึงเวลาจะต้องสูญเสียตำแหน่งเวลานั้นก็ไม่สบายใจ ท, ทันทีดังนั้นขอให้พวกเราพยายามทำใจให้สงบให้ได้ทำใจให้เป็นกลางให้ได้ก่อนเมื่อเราทำใจให้สงบทำใจให้เป็นกลางได้แล้ว ทีนี้เราก็คอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้อย่าไปอยากกับลาบยศเสริญสุขเพราะว่ามีเจริญน่าต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวลาจเจริญ น, นั้นก็ดีอยู่แต่เวลาเสื่อมนี้จะเศร้าสศกเสียใจจะวุ่นวายใจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับจะทุกข์ทรมานใจ ถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายเลยเช่นเวลาเราสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือเสียภรรยาหรือเสียสามีของเราไปโดยที่เรายังไม่พร้อมที่จะให้เขาจากเราไปเวลานั้นเราจะกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่คนเดียวจะมีความรู้สึกเศร้าส้อยหนอยเหงาว้าวเวอยู่เรื่อยๆมีคนที่เขาเป็นอย่างนี้มา มาพบแล้วเคยมีสามีอยู่กับสามีมาถึงสาสปีด้วยกันแล้วอยู่ดีๆก็เกิดอุบัติเหตุตายจากกันไปพอสามีตายไปแล้วทีนี้ชีวิตก็มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจมีแต่ความเศร้าส้อยหน่อยเหงามีแต่ความว้าวว่ไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะทําอะไรคิดอยากจะตายตามสามีไป นี่ก็เพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองแต่ถ้าผู้ที่ได้เตรียมตัวไว้แล้วเช่นทำใจให้สงบมีสมาธิแล้วแล้วคอยสอนใจให้รู้ทันอยู่เรื่อยๆว่าสัมวันหนึ่งจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปทั้งหมดถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์เกิดการสูญเสียขึ้นมา จะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจจะไม่มีความทุกข์ใจจะไม่รู้สึกเหงาหรือวา่าเวดาย่างใดจะสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับเวลาที่พระอาทิตย์ตกเราก็ยังดําเนินชีวิตของเราต่อไปเราทําอะไรอยากจะทําอะไรเราก็ทําของเราต่อไปได้เพราะว่าเรามี ความรู้ทันในความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นนั่นเองดังนั้นถ้าเราจะอยากจะไม่ทุกข์อยากจะไม่สบายใจอยากจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่วิตกกังวลไม่ว้าเว่ไม่เศร้าซ้อยหงอยเหงาไม่เศร้าหมองเราต้องฝันพยายามฝึกเจริญสติให้บ่อยๆให้สติของเรามีกำลังมากกว่าความคิดต่างๆ เพื่อเราจะได้หยุดความคิดต่างๆได้เพราะเมื่อเราหยุดความคิดต่างๆได้แล้วใจของเราจะมีความอิม่มมีความสุขใจของเราจะเป็นกลางจะไม่ยินดียินร้ายแล้วเราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้เราจะหยุดกับการยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ได้พอเราปล่อยวางได้แล้ว เราก็จะไม่ทุกกับการเสือ่อมกับการพัดพลาจากไปของสิ่งต่างๆนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาวัดมาหาพระพุทธศาสนาเราจะได้รับฟังทมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีเพียงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ผู้ใดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคอันมหาศารเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งเลยทีเดียวจึงขอให้เราอย่าปล่อยโอกาสอันวิเศษอันเลิศประเสริฐนี้หลุดมือจากเราไปโดยที่ไม่สนใจที่จะศึกษาฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติตามพระธรรมําสอน เพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติเราไม่ศรัทธาเราไม่สนใจที่จะศึกษาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนาเหมือนกับการถูกวักตะรี่รางวัที่หนึ่งแล้วไม่ไปขึ้นรางวัลไม่ไปรับรางวัลจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง ที่จะดับความทุกข์ดับความอยากต่างๆภายในใจของเราให้บทไปนี้ให้ท่านได้นำมาไปพิพจรารณาและปฏิบัติเพื่อความดับของความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุภาษีล้านตะนาตราและบุญกุศล ที่ท่านได้มาบัำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขลากความเจริญด้วยอายุหวามสุขะภาะโดยทั่วหน้ากันเธอ